ข้าบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหังพึงเข้าไปหาพระอุปชายยะแล้วกล่าวคำขานาคดังนี้ไม่ต้องลุกขึ้นยืนเอสาหังพันเตสุจิละปินิเนพุตามปิตังพระขวันตังสะละนางคัตฉามิธรรมมันจะพิขุสังคัญจะละภัยยาหังพันเตตัสะพระขวะโต ธรรมวินเยปปัต ช, ชังละพายังอุปสัมปะทางทุติยามปาหังพันเตสุจิระปลินิพุตตามปิตังพักวันตังสารนังคัจฉามิธรรมมันจะทิขุสังคันจะละพายาหังพันเตตัตสะพักวะโตธ ร, รมมวินเยปปัต ช, ชังละพยังอุปสัมปะทาง ตติยัมปาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตามปิตังพะควันตังสารนางังคัจฉามิธรรมันจะพิขุสังคัญจะละพยาหังพันเตตัสจัภะขวตโตธรรมะวินเยปปพัทชังละพยังอุปสมประทางอะหังพันเตปปพัทชังยาจามิ อิมานิกาสาญานิวัฒนานิขเหตตวาปพาเชทะมังพันเตอนุกกำปังอุปาทายะทุติยัมปิอหังพันเตปัพชังยาจามิอิมานิกาสาญานิวัฒนานิขเหตตวาปพาเชทะมังพันเตอนุกกำปังอุปาทายะตติยัมปิอหังพันเต ปภชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฒถานิขัเหตตวาปภาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะในลำดับนั้นพระอุปชายยะให้โอวาจนและบอกตะจะปัญจกะกรรมฐานให้ว่าตามไปทีละบทโดยอนุโลมและปฏิโลมดังนี้เกสาโลมาณขาทันตาตะโจ ตโจทันตาณขาโลมาเกศา